สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่548เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่53เพราะเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่12โปรดฟังข้อชนะของพระเจ้าเพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกําลังขึ้น และจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่เคยกนั้นจะได้ในเคล็ดแต่จะหายเป็นปกติจงอุตสาหที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตสาหที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงนั้นข้าพเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยคาที่ว่าเหตุฉะนั้นคือการ เชื่อในพระเจ้าที่นำไปถึงการเชื่อฝังความเชื่อของคริสเตียนนั้นเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เป็นความงมงายแต่จุดแรกที่เราเชื่อซึ่งจะต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าก็เป็นความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลแม้ว่าเราจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ด้วยกักกะและเหตุผลทำให้เรารู้ว่าเราจำเป็นี่ต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าจริง แต่เมื่อเราเริ่มต้นเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาพระคิดทำคัมภีร์หรือพระคมภีร์ของเรานั้นก็จะมีคุณค่าและมีสิทธิอำนาจตามมาพี่น้องครับในเช้าวันนี้เพิ่มพีใช้คําว่าเพราะเห็นนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นคําว่าจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกําลังขึ้นนั่นหมายความว่าพระคมภีร์ผู้เขียนฮิบรูนั้นให้เรารู้ว่า เราจะต้องทําสิ่งที่เป็นส่วนของเราเี่นไหมครับการทําสิ่งที่เป็นส่วนของเรานั้นเป็นความจําเป็นเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราควรจะต้องทำํำนะครับทําตามที่พระเจ้าต้องการประเด็นสําคัญของบทนี้และจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญของจดหมายฝากทั้งฉ บ, บับที่ถูกพูดถึงครั้งแล้วครั้งเล่านะครับก็คืออย่ามัวแต่ท้อใจท้อแท้ นะครับแต่จงยืดอกขึ้นมีลูกหึดนะครับเงยหน้าเกรงเข่าที่สั่นให้แข็งแรงอย่ามัวแต่เดินห่อเหี่ยวเข่าอ่อนไปมาและคําว่าจงกระทําทางที่เท้าของท่านจะเดินไปนั้นให้ตรงหมายความว่าจงลุกขึ้นเดินหน้าต่อกลับไปวิ่งต่อเลิกเชื่องซึมได้แล้วเลิกสมเพศเวยนาตัวเองได้แล้วนะครับเลิกรู้สึกไม่ไหว เหนื่อยความยากลำบากที่ผ่านมาเราจะยอมแพ้พี่น้องครับลืมเรื่องยอมแพ้ไปได้เลยนี่คือสิ่งที่พร ะ, พระครรมฮีบรูได้เตือนเราในวันนี้พวกเรานั้นไม่ได้เป็นพวกเดียวที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากนะครับให้เราลึกถึงพยานหัวหมู่ของเรานะครับก็คือบรรดาผู้ที่อยู่ในฮอ l l o อ f a เฟมอยู่ในบนรรพชนแห่งความเชื่อ ที่เราผ่านมาในบทที่สิบเอ็ดนะครับพวกเขาส่วนใหญ่วิ่งผ่านมาแล้วทั้งสิ้นนะครับพวกเขาทุกคนวิ่งผ่านมาแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นลู่วิ่งของพวกเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบมีหนังซ้ําเป็นต้นกุหลาบที่มีหนามเยอะในสมัยเรานั้นเราในประเทศไทยเราไม่ค่อยพบกับการข่มเหงครับการข่มเหงที่มาจากศัตรูหรือผู้ที่ไม่เชื่อ หรือหรือผู้ที่พยายามถือว่าคนที่เชื่อพระเยซูนั้นเป็นศัตรูของเขาคนเหล่านี้ครับก็มักจะไม่ค่อยมีอิทธิพลในเมืองไทยเท่าไหร่ทำให้คิดถึงน้อยสุริยะและหนานชัยสองท่านนี้เป็นผู้พลีชีพเพื่อความเชื่อของท่านโดยที่เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็สั่งให้ประหารชีวิตทั้งสองคนเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านนี้จึงกลายเป็น หัวหมู่ของพวกเราเช่นเดียวกันในประเทศไทยพี่น้องครับเราเองนั้นวิ่งเป็นนักวิ่งเป็นนักวิ่งที่จะเข้าสู่เส้นชัยพี่น้องทราบไหมครับว่าเวลาวิ่งเข้าสู่เส้นชัยนั้นเราวิ่งมาราธอนครับเราวิ่งระยะยาวครับและหลายหลายคนนะครับวิ่งไม่ถึงเส้นชัยชีวิตของเขานั้นก็พ่ายแพ้และจมอยู่ในความไม่เติบโต จมอยู่ในความท้อแท้ใจจมอยู่ในความทุกข์ใจจมอยู่ในความผิดหวังจมอยู่ในบาดแผลเยอะแยะมากมายที่ถูกคนอื่นกระทําพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจะต้องถูกลองใจเวลาคนวิ่งมาราธอนครับต้องวิ่ง42กิโลเมตรและผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่ามีปีศาจอยู่ที่กิโลเมตรที่ 35-38 นะครับ 3 5ิบห้าถึงสมิบปดมีปีศาจอยู่ที่นั่นหมายความว่าผู้คนนั้นมักจะเลิกวิ่งและปีศาจตัวนี้มันทำให้คนหยุดวิ่งที่กิโลเมตรที่สามสิบห้าถึงสามสิบแปดพี่น้องครับให้เราเรียนรู้จากนักวิ่งมาราธอนกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งวิ่งกันอยู่ทุกวันนี้พระคัมภีร์ในข้อที่สิบสามได้บอกว่าจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไป คำว่าทําทางให้ตรงเพื่อให้เท้าเดินไปนั้นมีความหมายว่าเราจะต้องช่วยกันนะครับกรีทางและคิดถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับมีผู้ที่กรีทางก็คือท่านยอนผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้ที่นําทางพระเยซูเช่นเดียวกันครับเราต้องนําทางซึ่งกันและกันครับเรากุีทางให้กับชนคนที่อยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างหน้าก็กรีทางให้กับพวกเราพวกพ่อหมูแห่งความเชื่อ ครับเขาก็กรวยทางให้กับพวกเราแล้วแล้วเขาวิ่งไปถึงเส้นชัยแล้วลเรากําลังวิ่งอยู่ครับเรากําลังกรวยทางให้ลูกหลานของเราน้องๆของเราที่วิ่งกันอยู่นั้นก็จะวิ่งตามกันมาพี่น้องครับผมคิดถึงเส้นทางในป่าเมื่อนักวิ่งมาราธอนวิ่งเข้าไปในป่าคนแล้วคนเล่าปีแล้วปีเล่าป่าตรงนั้นหรือรอยที่ถูกเหยียบย่ําตรงนั้นก็จะเป็นรอยเท้าเป็นทางไปเนี่ยครับคือการ เตรียมทางเตรียมทางให้ตรงเพื่อเท้าของเราเดินไปเพื่อที่ว่าขาที่เย็งนั้นจะไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติเพิ่งพีหลายหลายบัวชนนะครับได้แปลอย่างนี้ครับว่าเพื่ออาการที่ทําให้ง่อยจะไม่ได้กําเริบขึ้นแต่จะได้หายเป็นปกติเพื่อนครับการฝึกปลือฝีมือของเราการซักซ้อมนะครับในการวิ่งของเราและการที่เตรียมทางให้กับการและกันก็จะทําให้ อาการอ่อนแรงอ่อนเปลี้ยนะครับหัวเข่าที่อ่อนละมือที่อ่อนแรงก็จะเป็นปกติพี่น้องครับหลายหายท่านเขาไม่ค่อยดีนะครับกระดูกกระเดี่ยวพอมีเวลาเวลามีอายุมากขึ้นก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่คุณหมอบอกว่าเราสามารถที่จะฟื้นฟูบูรณะสภาพร่างกายของเรานะรตอนเมื่อหนุ่มๆกลับคืนมาได้โดยการออกกําลังกาย นะครับออกกําลังกาย น, นี้นี้ก็ตรงกับพระคัมภีตอนนี้ครับว่าจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นนะครับจงให้หัวเข่าที่อ่อนขึ้นนะครับมีกําลังพี่น้องครับเราต้องฮึดครับเราต้องมีกําลังใจในการที่เราจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในการรับใช้พระเจ้าในการเดินอยู่ในน้ำมัทไทยของพระองค์นะครับนักวิ่งที่ขี้เกียด น, นั้นอาจจะถูกลองใจให้ออกนอกเส้นทางอยู่บ่อยๆหรือหนักกว่านั้นก็คือให้เลิกวิ่งเลย แต่ผู้เขียนพระธรรมฮีบรู ต, ตอนนี้เตือนสติพวกเราครับและนักวิ่งเหล่านั้นที่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเขานั้นเริ่มปวดเริ่มเมื่อยจากการวิ่งทางไกลเพิ่มทีบอกว่าให้เราฮึดขึ้นมานะครับยกแขนที่อ่อนแรงนะครับยกหัวเข่าที่อ่อนละวิ่งต่อไปนะครับการวิ่งทางไกลตรงนั้นนะครับเป็นความสุขนะครับในขณะเดียวกันก็มีความเจ็บปวดร่วมด้วยซึ่งในที่สุดแล้ว นะครับเขาจะไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติความหมายตรงตัวก็คือว่าเขาจะได้รับการรักษาให้หายนะครับเขาจะได้รับการเติมเต็มเขาจะมีชีวิตที่เข้มแข็งเมื่อเขาวิ่งอยู่ในทางของพระเยซูและพึ่งพาพระเยซูประเด็นของกัมภีร์ฮีบรูนะครับบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามนี้ก็คือว่าให้เราวิ่งแข่งต่อไปทีนึงครับละทิ้งสิ่งต่างๆที่ถ่วงอยู่ครับ บาปที่เกาะแน่นอยู่และวิ่งแข่งไปด้วยความเพียรพยายามตามที่พระเยซูได้กําหนดไว้แล้วหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความความเชื่อของเราครับเป็นผู้ที่ทําให้ความเชื่องเรานั้นสมบูรณ์พี่น้องครับในที่สุดแล้วเราจะรับการรักษาให้หายเป็นปกติอาเมีไหมครับพี่น้องครับเราจะได้การรักษาให้หายเป็นปกตินะเราจะเข้มแข็งโดยกําลังที่มาจากพระเจ้าเราจะวิ่งต่อไปนะครับมันอาจจะไม่ง่ายมันจะมีการต่อต้านมันจะยาก มันจะทํำให้ท้อแต่เราต้องฮึดสู้ครับเราต้องอย่ายอมแพ้เด็ดขาดอย่าเลิกวิ่งกลางคันจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ได้วิ่งไปก่อนแล้วครับพี่น้องและเขาเสร็จแล้วเขาจบแล้วเขาไปถึงกิโลเมตรที่สี่สิบสองแล้วจงระลึกถึงพระเยซูและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงผจญมาทั้งหมดเพื่อเราจงจับจ้องสายตาอยู่ที่พระเยซูจับต้องจับจ้องสายตาอยู่ที่เส้นชัยพระเยซูกําลังรอคอยเราอยู่ที่นั่นพร้อมกับบรรดาธรรมิกชนบรรพชนแห่งความเชื่อของเรา ที่เขาได้วิ่งจนจบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะวิ่งจนจบเพื่อที่เราจะได้รับบำเหน็จได้รับรางวัลอาเมน